เมื่อนอนตื่นลืมตามีสติและพึงคิดใช้ชีวิตด้วยเหตุผลใช้ปัญญาหาสิ่งดีมาใส่ตนจะเป็นคนพลนลำบากม่ยากเลยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมในแต่ก่อนคนชอบเล่าหลังจากที่นิทานสอนใจได้ห่างหายไปนานและก็มีท่านสมาชิกผู้ใจดีได้กรุณามอบหนังสือนิทานเซ็นมาให้ผมก็เลยอยากจะถ่ายทอดครับโดยที่แต่ละเรื่องนั้นก็จะสั้นๆครับ แต่ก็ได้ใจความผมคิดว่าฟังไว้รู้ไว้คิดตามก็ไม่เสียหลายครับงั้นเราก็มาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันเลยดีกว่าครับนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าเพื่อนมนุษย์ในายามดึกสงัดคืนหนึง่งสพรพเสียงเป็นเพียงความว่างเปล่าเงียบเสียจนไม่ได้ยินเสียงรีดเรือเรไรคืนนี้เหมาะอย่างยิ่งที่จะปฏิบททัติธรรมแต่กับบางคนเขากลับเลือกคืนนี้เป็นวันที่จะทาชั่ว เขาจึงจ้องเข้าไปที่อารามแห่งหนึ่งซึ่งท่านอาจารย์เซนชิลีเป็นผู้ดูแลเจ้าหูขมโมยเดินอย่างเงียบกริบที่สุดพร้อมทั้งถือมีดปลายแหลมติดมือไปด้วยแล้วมาเจอท่านอาจารย์เซนชิลีที่กําลังปฏิบัติธรรมก็ขู่กันโชคด้วยเสียงอันดังว่าเอาเงินมาเสียให้หมดไม่อย่างนั้นฉันจะฆ่าพวกแกทุกคนเลยทว่าอาจารย์เซนชิลีกลับไม่เกรงกลัวซ้ายังกล่าวว่าเด็กโรดอย่ามารบกวนการปฏิบัติธรรมของอัตมาเลย ถ้าท่านอยากได้เงินก็จงไปหยิบที่ลิ้นชักโนนเจ้าหัวขโมยไม่รอช้าว่าแล้วก็รีบไปโกงเงินออกจากลิ้นชักแต่ขณะที่มันวิ่งจะออกจากอารามท่านอาจารย์เซนชิลีก็กล่าวว่าอย่างไรก็อย่าเอาเงินไปเสียหมดเหลือไว้ให้่ตมาซื้อดอกไม้พรุ่งนี้ด้วยละ่ะเมื่อเจ้าหัวขโมยได้ฟังเช่นนั้นก็ ค, คิดว่าจะเป็นไรไปเชียวเหลือไว้ให้พระท่านหน่อยก็ได้ว่าแล้วมันก็ทิ้งเงินไว้เล็กน้อยแทนที่จะกว่าดจนเกลี้ยง แต่แม้ท่านจะคลอยห้หลังท่านอาจารย์เซนชิลีก็กล่าวว่าท่านไม่คิดจะกล่าวขอบคุณสักคําเลยหรือเจ้าขโมยก็คิดว่าอย่างนั้นกล่าวขอบคุณสักคําก็ได้จึงได้กล่าวไปแบบส่งๆและเมื่อพ้นจากอารามของท่านอาจารย์เซนชิลีเจ้าหัวขโมยนี้ก็ยังคงตระเวนปล้นชาวบ้านเขาิดทั่วจนวันหนึ่งถึงคราวเคราะห์ของมันเจ้าหัวขโมยถูกจับได้คาหนังคาเขาและเมื่อมือป ร, ราบสักสายไล่เลียงเพื่อให้มันสารภาพว่าเคยขโมยของใครมาบ้าง เจ้าหัวขโมยก็ยอมรับออกมาว่าเคยปล้นวัดของท่านอาจารย์เซนชิลีดังนั้นมือปราบจึงต้องเชิญอาจารย์เซนชิลีมาให้ปากคําเมื่อท่านอาจารย์เซนชิลีมาถึงก็เห็นเจ้าหัวขโมยนั่งอยู่ทนทุแทนที่จะฉีตัวว่านี่แหละเจ้าโจรปล้นวัดในคืนนั้นก็กลับบอกว่าชายผู้นี้เขามีใส่ขโมยเขาไม่ได้มาปล้นอาตมาอาตมาให้เงินเขาเองและเขาก็ยังขอบคุณอาตมาแล้วด้วยจะ ก, การให้ปากคําของท่านอาจารย์เซนชิลี จึงทำให้เจ้าหัวขโมยได้รับการลดโทษและจากวันนั้นเจ้าหัวขโมยก็ได้ชดใช้กรรมที่ตนก่อไว้ในคุกอย่างสาสมจนถึงวันที่เจ้าหัวขโมยผนโทษจึงได้เกิดความคิดที่ว่านี่เนาเราก็ได้รับการลดหย่อนผนโทษพระทัานอาจารย์เมตตาฉะนั้นเราจรึงไม่ทําสิ่งดีๆเพื่อเป็นการตอบแทนท่านเสื้อบ้างและยังเป็นการชําระล้างจิตใจให้สะอาดด้วยเมื่อคิดได้ดังนี้แล้วเจ้าหัวขโมยผู้นี้ที่ตอนนี้เราเรียกว่าเขาได้แล้ว ก็มาขอบูตกับท่านอาจารย์เซนชิลีด้วยความตื้นตันจนน้ำตาไหลและเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วท่านอาจารย์เซนชิลีก็ไม่มีเหตุผลใดให้ต้องปฏิเสธท่านอาจารย์เซนชิลีจึงยินดีรับเขาเป็นศิษย์นับแต่นั้นมาเราจึงเห็นได้ว่าท่านอาจารย์เซนชิลีผู้นี้หาใช่เป็นนักบวช ธ, ธรรมดาไม่เพราะท่านไม่เพียงปฏิบัติธรรมเพื่อให้ตนละกิเลสและตัณหาต่างๆแต่ยังคิดช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยความเมตตา ท่านในวันนั้นท่านเพียงชี้ตัวว่านั่นแหละเจ้าหัวขโมยนั่นแหละเป็นคนที่ปล้นท่านป่านนี้เจ้าหัวขโมยก็คงต้องชดใช้กรรมอยู่ในคุกไปนานแสนนานชนิดที่ไม่อาจเห็นเดือนเห็นตะวันได้เลยนอกจากนี้ทวันนั้นท่านอาจารย์เซนชิลีขัดขืนไม่ยอมให้เงินกับเขาไปก็เท่ากับว่าเป็นการฟ้องว่าเขานั่นแหละที่เป็นหัวขโมยแต่นี้ท่านให้เขาเองด้วยความเต็มใจดังนั้นนี่จึงเป็นการช่วยเหลือเพื่อไม่ให้เขาตกเป็นขโมยอย่างน้อยก็กดีของท่านนี่แหละ ทีนี้เรามาดูกันว่าเราเองเคยช่วยเหลือใครบ้างไหมเรารู้จักใช้คุณธรรมข้อนี้อย่างไรซึ่งก็คงไม่ต้องทําถึงขณะท่านอาจารย์เซนชิริหรอกเพียงแต่เราเคยแบ่งปันความสุขให้คนอื่นบ้างไหมหรือเอาแต่ตักตตงความสุขอยู่คนเดียวโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ที่ใครๆก็บอกว่าจะให้มาช่วยเหลือกันได้อย่างไรในเมื่อทุกวันนี้ต่างคนต่างก็แข่งแย่งแข่งขันลาพังตนเองยังเอาตัวแทบไม่รอดแล้วจะให้ไปช่วยใครได้ ดังนั้นสังคมเราตอนนี้จึงเต็มไปด้วยคนที่เห็นแค่ตัวทำอะไรก็นึกถึงแต่ความสะดวกสบายของตนมาเป็นอันดับแรกจะให้เสียสละให้คนอื่นก่อนเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยแต่ว่ายิ่งเราตักตรงเอาแต่ได้เอาแต่ดีเก็บไว้ที่ตัวเราคนเดียวหมดสังคมมันก็ไม่น่าอยู่แทนที่จะอยู่กันสบายสบายใครมีอะไรมากหน่อยก็เอาออกมาแบ่งปันให้กับคนที่เขาไม่มีใครเดือดร้อนเราก็ช่วยเหลือช่วยกันแบ่งเบาทุกข์กันคนละนิดละน้อย ร่วมมืร่วมมือกันทุกของสังคมที่ว่าก้อนโ ต, โตโตมันก็จะกลับกลายเป็นก้อนเล็กได้เหมือนกันเพราะนอกจากสิ่งที่เราจะได้รับจากการเป็นผู้ให้ก็คือเราจะได้ทั้งความสุขและได้นําความเห็นแก่ตัวความหวงแหนความยึดมั่นของเราออกไปด้วยการให้หรือการช่วยเหลือจะเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้เราได้ชําระจิตใจตนเองในแต่ละวันให้ใสสะอาดไม่ค่อยมีเหงือใครแห่งความเห็นแก่ตัวมาเกาะมากนักก็จบลงแล้วครับ สำหรับนิทานเรื่องนี้แต่ก็ดูว่ามันจะสั้นไปนิดเอาอีกสักเรื่องละกันเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าไม่ใช่คนแล้วเป็นอะไรเรื่องนี้มีอยู่ว่าที่เมืองโตเกียวในสมัยเมจิเป็นที่ขึ้นชื่อหรือชาว่าเป็นแหล่งที่มีพระอาจารย์เก่งๆอยู่หลายท่านซึ่งในจำนวนนั้นก็มีพระอาจารย์อยู่สองท่านซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีคือท่านอาจารย์อัโชท่านเป็นอาจารย์ในนิกายชินงอนทุกคนต่างรู้ดีว่าท่านเคร่งมาก เรื่องเล้ายาปลาปิ้งท่านไม่แตะต้องเลยและอีกท่านหนึ่งก็คือท่านอาจารย์ตาลซานท่านเป็นอาจารย์ที่สอนอยู่ในมหาวิทยายลัยซึ่งท่านผู้นี้กลับตรงกันข้ามกับท่านอาจารย์อันโชชนิดเขากับดําเลยคือนอกจากจะไม่เคร่งไม่ถือศีลไม่นับถืออะไรทั้งนั้นแล้วก็ยังเป็นพวกติดเหล้าติดกินและโม้โลกมากเหลือเกินจนมาวันหนึง่งท่านอาจารย์อัญโชได้เดินทางไปเยี่ยมท่านอาจารย์ตาลซาน เมื่อไปถึงก็เห็นท่านอาจารย์ตาลสารกําลังกินเหล้าอย่างอารมณ์ดีและยังไม่ไหวชูแก้วชวนท่านอาจารย์อัญโชให้ร่วมดื่มด้วยเอาสิท่านมาดื่มกันสักหน่อยและจะติดใจท่านอาจารย์อัญโชก็ตอบว่าไม่ละท่านเราไม่เคยดื่มเลยละท่านอาจารย์ตาลสารได้ยินดังนั้นก็ตอบแบบเยื้อย่างไปว่าคนที่ไม่เคยดื่มเลยเนี่ยนะเขาไม่เรียกว่าขนหรอกเมื่อท่านอาจารย์อัญโชได้ฟังดังนั้นก็ฉุนกึก อ, อย่างแรงคิดว่าท่านอาจารย์ตาลสารต้องหลอกด่าดตนแน่ ที่ท่านต้องนิ่งเงียบก็เพื่อรักษาภาพลักจากนั้นท่านอาจารย์อัญโชก็พูดขึ้นว่าแล้วที่ท่านว่าเราไม่ใช่คนเพียงเพราะเราไม่ดื่มอย่างนี้ถ้าเราไม่ใช่คนแล้วเป็นอะไรล่ะท่านอาจารย์ตาลสารจึงได้ตอบว่าเป็นพระเจ้าองค์หนึ่งไงล่ะเมื่อท่านอาจารย์อัญโชได้ยินมาตนเป็นปอะไรก็นิ่งอึ้งในทันทีเป็นอันว่านิทานเรื่องนี้ก็ จ, จบลงด้วยความเงียบนั่นเองการที่ท่านอาจารย์อัญโชนึกถึงท่านอาจารย์ตาลสารที่ว่าตนไม่ใช่คน นั่นก็เป็นเพราะท่านอาจารย์อัญโชติดคิดว่าตนเป็นคนถ้าว่าไม่ใช่คนแล้วก็คงเป็นสิ่งอื่นที่ไม่ดีแน่ๆตอนนั้นท่านคงคิดไปว่าท่านอาจารย์ตาลสารคงว่าท่านเป็นควายเป็นสุนัขเป็นสัตว์เดรัจฉานแน่ๆความโกรธจึงได้เกิดขึ้นนั่นก็เป็นเพราะท่านอาจารย์อัญโชเอาแต่ยึดติดว่าเรานี่แหละเป็นคนเราสูงส่งกว่าสิ่งอื่นๆจะมาว่าเราเป็นเดรัจฉานไปได้อย่างไรกันจนท่านอาจารย์ตาลสารบอกว่าท่านเป็นพระเจ้าองค์หนึ่งนั่นแหละ ฟังแล้วก็ทําให้ถึงกับอึ้งไปเลยซึ่งท่านอาจารย์ตานสารไม่ได้ประชุดประชันได้อย่างไดนี่แหละที่เป็นการสอนอย่างเซนโดยแท้ฟังแล้วก็จุก อ, อกกันไปเลยด้วยความที่ทุกวันนี้เรายังคงยึดติดกันว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่โดยเฉพาะความยึดติดที่ว่าเราเป็นคนเมื่อมีคนมาว่าเราต่างๆนานาเช่นต่ำต้อยเหมือนหมู่เหมือนหมาโง่เหมือนวัวเหมือนควายจันไรเป็นตัวเงินตัวท้องยังกระเพรดขอส่วนบุญเหม็นชิงอย่างกระสอบ และอีกมากมายสารพัด ท, ที่เขาจะด่าเราเราก็โกรธสียกใหญ่ทั้งทั้งที่เขาก็แค่ทำร้ายเราด้วยคำพูดเท่านั้นนี่ถ้าเราไม่คิดว่าเราเป็นคนหรือเป็นอะไรเลยเราก็ย่อมไม่โกรธเขาเพราะที่เขาว่าว่าเราเป็นอะไรก็แค่เรื่องสมมติทั้งนั้นระหว่างที่ใครว่าเราเป็นอย่างไรเราก็รู้ตัวเราดีว่าเราเป็นอย่างไรใครว่าเราบินได้เราก็บินไม่ได้ใครว่าเราดาดินได้เราก็ดาดินไม่ได้ใครว่าเราเร็วใครชมเราดี ก็มีแต่ตัวเราเท่านั้นที่รู้ความยึดติดนี้แหละที่ทําให้เราโกรธได้ง่ายๆเมื่อรู้แล้วฟังแล้วเราจะยึดติดเพื่อให้เกิดความโกรธทําไมครับแล้วสองเรื่องสั้นๆก็จบลงไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่เสียงมันอู้อี้เหลือเกินก็ขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนสมหวังดังตั้งใจทุกประการในทางที่ถูกที่ชอบอุดมด้วยสติปัญญาในการใช้ชีวิตเป็นที่รักของคนที่เรารักและรักเรา ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ